ก็พวกเราตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะหลวงพ่อจะบอกอะไรหน่อยวันนี้ทําวัดไวขึ้นเพราะว่าในช่วงอากาศเยน็เยนๆเนี่ยเราได้ออกไปเดินจงกรมอากาศสบายเดินจกคกรมตั้งแต่หทุ่มสองทุ่มนอนสักสามทุ่มก็ได้โอกาสที่เราได้มาทำอย่างเงี้มันเอาอกาศยากมากเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเป็นโลกของ มีเคยสั ญ, ญีาเห็นว่านะคือหมายความว่าอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดอะถ้าเราจะม า, านี้ก็ยากเพราะอะไรเพราะมานมันขวางไว้หมดคนไหนจะมาบางคนก็มาได้เต็มที่บางคนก็มาคนที่มาได้บ้างก็ยังดีใช่ไหมบางคนมาไม่ได้เลยมานมันขวางไว้หมดเพราะฉะนั้นคนที่สามารถหลุดรอดมาทำอย่างนี้ได้นก็ถือว่ามีบุญหลายเพอสมควระ ขนาดคุณพร้อมมากๆก็ยังมาไม่ได้เลยเนะี่ยแกไม่ได้ทําอะไรแล้วแทนที่แกจะมาได้แกก็ไม่ได้ทาํามันไม่ใช่ธรรมดานะยุคทุกวันเป็นยุคที่มันเรียกว่ามันเข้ายุคของมิคาสัญญีแล้วอะดังนั้นเราทั้งหลายเนี่ยมีบุญได้สั่งสมมาเราก็เลยไม่ต้องไปร่วมยุคแบบนั้นแล้มีโอกาสได้แหวกมาทําอย่างนี้บ้างนะเนี่ยมาก็ว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมะเขายังมีเส้นทาง ข อ, ของเขาเมื่อถึงวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในโลกนี่คนที่ได้มีจิตใจเป็นธรรมะจิตใจเป็นกุศลนี่เขาจะไม่ได้ไปร่วมวิกฤตอันนั้นแต่รับรู้อยู่เหมือนเราอยู่บ้านคนละชั้นมันตีรันฟันแทงกันชั้นล่างแต่อยู่ชั้นถึงไม่รู้เรื่องอะไรโลกก็อย่างนั้นเหมือนกันนะก็อยู่ในชั้นเดียวโลกเดียวนี่แหละแต่มาอยู่คนละชั้นเขาเลยอยู่คนละมิติทังนั้นเองหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องทํา ในโลกของมิติของเราเนี่ยให้มันชัดชัดเจนว่าปัจจุบันเราต้องถือว่าโลกค่อยสู่ยุคมีคันสีสันยีแล้วเนี่ยไอการที่มันจะดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นอะไรขึ้นคงเป็นไปยากละเพราะโลกนี้ก็คือจิตจิตนี่คือโลกถ้าจิตของมนุษย์ไม่ดีซะแล้วนี่นะมันจะพัดในทางไงมันก็มีขึ้นเพราะว่าถึงคนส่วนน้อยจิตยังดีอยู่ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ดีอ่ะนะมันน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟคนชั่วคนน้อยคนมีดีน้อยมันก็ต้องถูกไอ้คนที่มันไม่ดีทั้งหลายท่วมทับเราก็จะต้องแยกตัวออกมาดังนั้นเมื่อถึงโลกข่าวถึงโลกมีวิกฤตอย่างเนี้ยเราก็จะต้องมาทําที่เกาะที่พึ่งของเราให้ปลอดภัยเหมือนน้าท่วมอคนก็จะวิ่งไปหาที่มันเป็นเกาะที่มันพ้นน้านั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อโลกนี้มันวิกฤตไปด้วยความคิดเห็นมิจฉาทิฏฐิของคนมันท่วมโลกเนะีเราก็ต้องอาศัยเกาะที่พึ่งพระพุทธเจ้าในหมดเธอทั้งหลายจงเอาทําเป็นเกาะจงเอาทําเป็นที่พึ่งนี่ถ้าสมมุติเราไม่ทําให้จิตของเรามีสันดอนเป็นเกาะที่พึ่งได้เนะี่ยเราก็จะถูกท่วมไปด้วยคําว่าท่วมนี้หมายความคนไม่ได้อาปัญหามาทิ้งสเสร็จแล้วหรอกนะ แต่จิตของเราเนี่ยมันท่วมทับด้วยอารมณ์ท่วมทับด้วยความคิดปรุงแตง่งวันหนึ่งในเรื่องที่เราคิดจะทําเนี่ยเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องใช่ไหมแต่คัดกรองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สําคัญสักเรื่องนะมันไม่ทําสักเรื่องก็ได้ที่มันคิดมาน่ะมันก็ไม่เสียหายเลยนะแต่ที่นี่โอ้โหทำไมเราคิดไป็วักเป็นเวนแต่และเรื่องซึ่งเราจะทําก็ได้ไม่ทํำก็ได้นะ แต่ภูมมันเห็นว่าจําเป็นหมดเลยในเรื่องนั้นก็น่าทำเรื่องนี้ก็น่าทําเรื่องนั้นก็น่าพูดเรื่องนี้ก็น่าคิดมันนี่เขาเรียกว่าน้ํามันท่วมทับใจเราแต่พอเรามาทํากรรมฐานเนี่ยเราเคยแหวกเอาจิตของเราเนี่ยออกมาอยู่จากปร า, าจากความคิดปร า, าจากอารมณ์ปราจจากการรบกวนของสังขารการปรุงแต่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าจิตของเรามันเป็นดอนเป็นเกาะ พ้นออกมาจากอารมณ์พ้นออกมาจากการท่วมทับของอารมณ์นั้นาะเนี่ยเขาเรียกพ้นน้ําพ้นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าที่ใดที่หนึ่งที่เราจะขึ้นไปพ้นจากมนุษย์ไม่ไม่ได้เราไปที่ไหนไม่เจอมนุษย์ทั้งนั้นแต่คําว่าพ้นในที่นี้เขาจิตของเรามันพ้นออกมาจากอารมณ์พ้นออกมาจากการท่วมทับของความคิดของอารมณ์ตรงนั้นเด้อเรียบเป็นที่พึ่งได้จิตอย่างนั้นเด้อพึ่งได้เดาก็รู้สึก พึ่งได้ยังไงรู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกมีความอบอุ่นใจมีรู้สึกมีความปลอดภัยไม่วิตกไม่กังวลไม่มีความห่วงหาอะไรเกิดขึ้นในใจจิตเป็นอิสระนี่เขาเรียกว่าพ้นจากการ ท, รทรุ่มเทของน้ําวัฏฏวุลวัตฏโอฆาสงสารเนี่ยดังนั้นเองพรุทธเจ้าท่านกําหนดไว้สี่อย่างเท่านั้นนะห่วงน้ําหนึ่งกามโมฆะห่วงน้ําคือกาม เพราว่าการใน น, นี้ก็ได้สิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องคิดห่วงหาอะไรเรื่องลูกเรื่องโปูเรื่องเองมือเรื่องผี่เรื่องน้องเรื่องพอ่อเรื่องแม่เรื่องข้าวของสมบัติอะไรจิตจะไปวนเัวเนี้อันนี้ท่านก็เป็นห่วงหนึ่งที่จิตเราไปวนอยู่ท่วงทับเราใช่ไหมอันนี้หนึ่งห่วงห่วงที่สองนั่นใช้คำว่าทิศโขคะห่วงน้ําคือทิฏฐิหมายก็ว่าเราเนี่ยมันมีความคิดเห็นอะไรเป็นของเราเนี่ยนะคิดเราคิดอย่างนั้นเราคิด สำหรับคนนี้เราคิดอย่างนี้เคืมขอดคนนี้เราเห็นอย่างนี้สำหรับเรื่องนี้เราคิดอย่างนี้สำหรับเรื่องนี้เราเห็นอย่างนี้สำหรับเศรษฐกิจนี้คิดอย่างนี้สำหรับโอเยอะแยะไปเลยความคิดเห็นของเรานี่ท่านเรียกว่าห่วงน้ําคือความคิดเห็นทิฏโถค่ะอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมนะเราก็สามารถจะแหวกออกมาได้โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมันมันจะมีความคิดเห็นกี่ร้อยกี่พันเรื่องก็ลิฟกิฟอัพให้หมดไม่ต้องไปยุ่งกับมันห่วงอันที่สามท่านใช้คำว่าพะโวค่ะ ห่วงน้ำคือพบนะตรงนี้มองเห็นยากหน่อยห่วงน้ําคือพบหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันสร้างเรื่องได้ตลอดเวลาเห็นไหมมันสร้างเรื่องขึ้นมาได้ตลอดเวลาหมวดเรื่องนี้มันก็ไปสร้างเรื่องนั้นหมวดเรื่องนั้นก็ไปสร้างเรื่องนี้หมวดเรื่องนี้คล้ายๆมันเป็นมายาภาพนะมันคอยโผล่ขึ้นมาเลยเขาเรียกพับอัพขึ้นมาเลยตรงนี้เขาเรียกพบ บโบคะจิตชอบสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเป็นที่อยู่มันอยู่เฉยเยไม่ได้จิตเนี่ยสร้างพบขึ้นมาเป็นที่อยู่อันนี้ก็เป็นห่วงหนึ่งที่คอยท่วมทับเราห่วงอันที่สี่ท่านใช้ว่าอาวิโชคะห่วงน้ำคืออวิชาห่วงน้ำคือความหลงลืมตัวตัวเนี้ยเป็นที่ต้นตอของน้ำเลยทีเดียวละเป็นต้นน้าของตัวอวิโชคะเป็นต้นตอของน้า เป็นที่บ่อเกิดที่เกิดของน้ําอันนั้นก็คือฝนตก น, นะนะฝนมันตกเชอเดี๋ยวพายุลูกนั้นเข้าเดี๋ยวพายุลูกนี่เข้าแผ่นดินไม่มีโอกาสแห้งเลยในที่สุดน้ําก็รวมเข้าหลวมก็เราไปออกไม่ทันท่วมก็มาจากตัวนี้เขาเรียกว่ออาวิโชคะคือความลืมหลงนี่เนี่ยประเด็นที่เราจะพูดกันก็คือความหลงลืมตัวว่าเมื่อเราหลงลืมปับ๊บมันก็เข้าไปเรื่องนั้น หลงลืมปับคิดไปเรื่องนี้ทันทีเลยใช่ไหมสังเกตไหมแต่ไม่ได้ตั้งสติปั๊บอ่ามันหายไปพักเอาไปหลงสติปั๊บเอามันไปอีกแล้วลบก็อย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมอ่ามันไม่ตรงนี้เขาเรียกห่วงน้ําคือความหลงลืมนะหลงลืมตัวเพราะฉะนั้นเราถึงมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาสร้างสันดอนการที่เรามายกมือเคลื่อนไหวนี่หมายควาวเราขุดพูนสันดอนขึ้นมันลบไมโค ข, ขุดดิน นะขึ้นมาทำเป็นสร้างเป็นเกาะเป็น <c oughs> แก่งขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละเราก็เลยมาสร้างตัวรู้สึกตัวให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาให้ห่วงแห่งความคิดห่วงแห่งความอยากห่วงแห่งความหลงเนี่ยเข้ามาท่วมทับนะดังนั้นเราก็ต้องรีบจํารีบหายรีบขุดคือหมายความว่ามาสร้างความรู้สึกตัวนั่นแหละ แต่แน่นอนนะมันก็ต้องน้วก็ต้องตามท่วมรอบๆอยู่นั่นแหละเราสร้างเกาะสร้างแก่งน้ําก็ท่วมรอบๆนั่นแหละหมายความว่าความคิดต่างๆความคิดความเห็นความอยากความหลงลืมมันก็มาอยู่รอบๆนั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมไอ้พอเราตามใจที่จิตของเราเองมาพึ่งพาตัวเคลนตัวไว้ตัวรู้สึกตัวอยู่เนี่ยไอ้ตัวความคิดพุงแก่งสังขารเหล่านั้นก็เข้ามาท่วมเราไม่ได้อืเพราะฉะนั้นเอง สังเกตดูแล้วนะี่ก็ไม่ใช่ทําง่ายนะทำเขาทั้งฝืนทั้งฝืงนนะใช่ไหมมันทํำท่ายจะดึงไปรตรงนั้นเลย ท, ทําท่ายจะดึงไปรตรงนั้นเลยรุดรลิลิลลลลลลไปเงินเลยสังเกตไหมมันไม่ได้สนิทอกสนิทใจไนงะจะทําด้วยความสนิทอกสิจะทําด้วยความเย็น อ, อกเย็นใจชื่นอกชื่นใจไม่ค่อยได้แล้วมันมีอะไรมาผ่านมาต้องมาดึงมาดูดมาฉุดมาลังอยู่เรื่อยๆ เ, เห็นนะตรงนี้คือความยากของมันถ้าคนไม่ตั้งใจจริงๆจะสู้ไหวไหม ไม่ไหวอะนะมังคนสู้ได้สองชั่วโมงไปแล้วมังคนสู้ได้สามชั่วโมงไปแล้วอันนี้มากแนละ้วมงคนสู้ได้ห้าชั่วโมงไปแล้วเออพวกเราดีหน่อยสู้กันได้ทั้งวันนี่โอกาสอย่างนี้มันหายากดังนั้นธรรมาถึงบอกว่าต้องเก็บความรู้สึกทุกฝีก้าวทุกความรู้สึกเลยเพราะว่าการพูนความรู้สึกขึ้นมาแต่ละก้อนเหมือนแม่โคมันจกดินขึ้นมาแต่ละ กับบุ้งกีของมันนะมีความหมายที่จะทําให้ดอนนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไห ม, มการที่สร้างความรู้สึกตัวชัดขึ้นมาแต่ละขณะขณะมันมีความหมายว่าจิตของเรามันจะได้พ้นจากการปรุงแต่งได้มากขึ้นนั่นแหละน ะ, นะไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังที่จะรู้อะไรอย่างอื่นเลยนะหวังที่จะให้จิตมันมาอยู่กับปัจจุบันให้มันรอดพ้นจากการท่วมทับของความคิดและอารมณ์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่า อารมณ์เหล่าเนี้ยมันท่วมไม่ถึงนั่แหละะฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงเอาขนาดนั้นทีเดียวมันถึงจะรอดดังนั้นเองในอริยสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่ได้มุ่งทําอย่างอื่นนะนะมุ่งทำสองเรื่องนะมุ่งทําเรื่องของสติให้เป็นที่พึ่งของจิตมุ่งทําเรื่องของปัญญาเป็นแสงสว่างของจิตสําหรับสองทางไปแม้ว่าเราจะมีเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าบางครั้งมัน ทมกลางในความมืดเราก็ต้องมีแสงสว่างนะนั่นหมายความว่าเราต้องมีทั้งสติและทั้งปัญญาที่ฝึกฝนเนี่ยได้ทั้งสองอย่างสติมันก็ขึ้นสมถะขึ้นวิปัสสนาแต่ตัวปัญญาเป็นวิปัสสนาล้วนๆนะหมายความว่าสติเนี่ยมันเกี่ยวข้องเลยทั้งรูปทั้งนามทั้งนามทั้งรูปแต่ว่าปัญญาจะเกี่ยวข้อง้วยนามรูปและเกี่ยวข้องเลยนามล้วน แต่สติที่เกี่ยวข้องด้วยรูปนามอยู่คือหมายความเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นกายอยู่แต่เกี่ยวข้องส่วนที่เป็นใจคือนามรูปอยู่นะแต่ปัญญาเกี่ยวข้องโดยส่วนที่เป็นนามรูปและส่วนที่เป็นนามล้วนๆคือเกี่ยวข้องโดยความคิดและสติปัญญาล้วนๆเราก็สร้างทั้งสองอย่างนะบางครั้งเราก็ลึกถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดๆนี่เป็นสตินะบางครั้งเราก็มาดูสภาพธรรมเกิดขึ้นล้วนๆอันนี้เป็นปัญญา มีใช่ไหมบางครั้งมันก็มาอยู่ความรู้สึกตัวล้วนๆบางครั้งก็ไปอยู่ความรู้สึกใจล้วนๆเห็นนะ เ, นเรานี่ชัดไหมไม่ค่อยจะล้วนนะคะ น, น, น, นั่นแสดงว่ามันยังเป็นรูปนามอยู่มันยังไม่เข้าไปสู่ไอ้ตัวนามล้วนๆไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนะมันยังไม่เข้มแข็งพอมันยังไม่ต่อเนื่องพอมันยังคอยหลุดไปหาเรื่องคิดอยู่เรื่อยใช่ไหม น้ำมันยังรีบๆๆทำท่ า, ทาใหญ่ท่วมอยู่เลยเพราะงั้นเลยเพราะนั่นจะเร่งรีบจํารีบผ่านแต่ที่ปลอดภัยที่สุดนะน้ําขึ้นเท่าไหร่มันไม่ท่วมเลยนะนั่นหมายความว่ามีเรือน้ําสูงเท่าไหร่เรือก็สูงเท่านั้นคนสมัยโบราณเนี่ยเขาฉลาดน้ําท่วมไม่ถึงเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาทำสองอย่างนะหนึ่งทำบ้านได้ถุนสูงสอง ทำเรือนแพ่ใช่ไหมคนโบราณในเรื่อยเขาล้วน้ํานะมันท่วมทุกปีเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยทําบ้านจะสูงสูงมามันก็น้ําก็รอดไป น, นั่นเองแต่ว่ามันเข้าถึงซิงเขามีแพ่ขึ้นแพ่ใช่ไหมเขาต่อแพเอาไวา้คนก็สบายใช้ชีวิตก็สนุกมีเรือเล็กไปที่ไหนก็ได้ท่วมเท่าไท่วมไปกี่เดือนกี่วันก็ว่าไปเขาไม่เดือดร้อนแต่คนทุกวันในท่วงมาสามวันเจวันจะตาย ไ, ได้เพราะมันใช้ชีวิตผิดธรรมชาติจิตเราก็เหมือนกัน ถ้าบ้านใต้ทุนสูงเหมือนกับสติประฐานสี่แต่ปัญญานี้นเหมือนแพเหมือนเรืออยู่เหนือน้าแต่บ้านมันก็ยังอยู่ในน้ำอยู่นะแต่มันสูงกว่าน้ำหน่อยแ้ท่วมจริงๆมันก็ขึ้นถึงเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นสติเหมือนกับบ้านใต้ทุนสูงปัญญาเหมือนกับแพกับเรือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทั้งสองอย่าง เรามีทั้งบ้านใต้ถุนสูงเราก็ไม่กลัวถ้ามันเท่าไปถึงใต้ถุนขึ้นขึ้นบ้านจริงๆเราก็มีแหลแพมีเรือมันก็ไม่กลัวใช่ไหมแต่ถ้าเราสร้างบ้านติดดินเลยไปไงมันไม่ได้นะเรือแพก็ไม่มีจมน้ํารูกเดียวนั้นหมายว่ามีแต่อะไรมีแต่ไม่ใช่ดิมีแต่สินธรรมเบื้องต้นที่ติดดินทําำเ ต, ต, ตี้ยเตียอยู่เนี่ยมันยังสูงไม่ได้ถ้ามาาทสํสสมถปันา มันถึงจะพอจะสู้ห้วงน้ํามันนี้ได้ถ้ า, าับใดถ้าไม่ทําสมถาวิปัสสนานออกมาว่าสมถะเหมือนบ้านได้ทุนสูงวิปัสสนาเหมือนเรือเหมือนแพอ่าเรามันก็จะปลอดภยัยน้ําขึ้นเท่าไหร่ไม่มีมวิถกังวลเหมือนกันเราจะรดนสะดบมาเท่าไหร่ความผิดในอารมณ์ไม่มีมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจิตของเราลอยอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นเห็นอารมณ์เหล่านั้นก็เหมือนเรือมือนแพซึ่ง เราก็จะไม่ได้รับการกระทบจากอารมณ์ต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าท่างบอกเธอทั้งหลายจงมีาทาให้ธรรมานี่เหมือนแพราสายข้ามห่วงน้ำคือวั า, าสงสารแต่ว่าเมื่อเธอถึงฝั่งแล้วอย่าแบกเรือหรือแพรไปด้วยทิ้งไว้ตรงนั้นะหมายความว่าถ้าจิตของเราสู่ภาวะที่สปกติสบายแล้ว แม้แต่ธรรมที่เราถือปฏิบัติอยู่ก็อย mm hmm. ่าไปยึดมั่นถือมัน่นอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราของเขาใช้มันเป็นเพียงเหมือนเพอเดินแหละแพรใช้ธรรมะนี่เหมือนแพรหรือเหมือนเรือใช้เป็นเครื่องมือข้ามข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารเท่านั้น ในงนั้นในช่วงที่เราเดินจงกลมสร้างจังหวัดเราทําทิ้งๆไปไงนะแลยวไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบีบไปคั้นไม่ต้องไปกดไปดันให้มันเป็นหรอกแต่ทําไปแล้วก็ให้รู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปรู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปรู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปใจของเรามันก็จ ะ, ะไม่เข้าไปผูกพันอยู่กับความคิดแต่ถ้าว่าเราทําแล้วไปยึดเอาไว้ให้มันรู้ตลอดนี่มันไม่ได้เหมือนเราไปแบกเอาไว้หนักใช่ไหมรู้เราทิ้งรู้เราทิ้ ง, งกลับมารู้ใหม่เสมอ เก่าลู่เก่าลู่แล้วลู่ไปลู่ใหม่ไปอยู่เฉพาะนาเนี่ยเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยความคุ้นที่เราจะเบาสบายที่นี่คือหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในความคิดแต่อยู่เหนือความคิดถามว่ามีความคิดไหมมีแต่เราอยู่เหนือมันเหมือนเราเดินเรือเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีน้ำเราเดินเรือไม่ได้การปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีอารมณ์จิตเราก็เดินไม่ได้ จิตแล้วมันอยู่เนืออารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้าจิตนั้นไม่มีวิปัสนาไปไงจิตนั้นก็จะจมในอารมณ์เหมือนเรือจุ่มน้ำน้ำเข้าเรือจมเหมือนกันนะดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันสบายมันสนุกอืแต่ทีนี้เอาให้เรามันเข้มแข็งแล้วกันยังไม่ต้องคิดถึงคนอื่นหรอกเมื่อเราเข้มแข็งเต็มที่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะให้คนอื่นไม่ยาก มันเศรษฐีมีเงินใช่ไมไม่ต้องไปเท่ยแจกหรอกเดี๋ยวเขามาขอเองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันขอให้เรามันมีจริงๆเท่านั้นแหละขอให้เราหาจริงๆให้หาใส่ะหาทุกวิธีทุกอย่างก้านี่แหละไม่ต้องไปหาอะไรพับตาเราก็ได้แล้วเคลื่อนไหวเร็วไส้อะไรควายหยิบหยับชมก็ได้มาทั้งนั้นเลยแต่ขอให้มีสติในการเคลื่อนไหวมันก็ได้กลับมาเท่านั้นเลยแต่การที่เรา ใช้แล้วเสียเลยหมายความว่าเราไม่รู้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวกายว่ า, จาใจใจเคลื่อนไหวแล้วไม่เข้าไปรับรู้ไม่เข้าไปกําหนดไม่เข้าไปเฝ้าดูไม่เข้าไ ป, าไาไปตามดูตามเห็นนั่นหมายความว่าใช้แล้วเสียเลยหมดพลังไปแต่ในวิธีการของเราใช้แล้วได้กับคืนหมายความว่าเราจะเอื้อมมือไปเนี่ยหมายความว่าเราใช้แล้วนะเอื้อมมือไปจับสิ่งนี้ สติที่ตามไปการจับมาเนี่ยมันรับรู้เต็มที่เลยใช่ไหมโดยนี้คือการได้มาเป็นความรู้สึกตัวแล้วก็การได้มาของวัตถุที่เราจะต้องใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมได้ในฝ่ายเทนส่วนที่เป็นรูปธรรมคือได้ตามประสงค์รูปประสมตอบสนองความต้องการแต่ได้ที่เป็นนามธรรมคือได้รู้สึกกับสิ่งนี้ชัดๆไดะจับได้วางไม่ใช่จะจับตรงนี้ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้เสียไปเลยเพราะมันได้มาวัตถุมาจริงแต่ว่าใจ หลุดไปที่ไหนไม่รู้อันนี้เขาว่าได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าสมมุติเรามีสติได้ทั้งสองอย่างเลยนะดังนั้นแ<ส>ม้แต่การกทุกกิจกรรมอะให้คํานึงเสมอต้องให้มันรู้สึกเข้าไปในการเคลื่อนไหวอย่าให้มันอย่าให้มันหลุดลอยไปเยอะแต่ให้อันไหนที่มันหลุดลอยไปแล้วเั้งมันตั้งท่าใหม่แต่ให้ตั้งสติรู้ตัวเสมอว่าเรากําลังทําอะไร แต่ว่าจะชัดหรือไม่ชัดอันนี้แล้วแต่บุคคลนะบางคนก็จะพยายามทําให้ชัดแต่บางคนก็ได้บางเสียบางชัดบางไม่ชัดบางอันนี้ก็ผลไม่ค่อยแน่นอนนะแต่บางคนนี่ตรวจสอบทําแล้วตรวจสอบทําแล้วตรวจสอบทําแล้วตรวจสอบได้เป็นเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะเลือกเอาในส่วนเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้บางคนเป็นอย่างนั้นอันไหนที่มันเสียไปแล้วเลือกเอาใหม่อันไหนเสียไปแล้วเลือกเอาใหม่ ะมันก็ได้ในส่วนที่ดีๆใช่ไหมบางคนเนี่เวลาไปเก็บผักผลมไม้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นผักผลมไม้ก็เรียกว่าหยิบใส่ตะกร้าหมดหูได้ไหมลุงตุงนลังหมดเลยแต่บางคนเลือกเอาส่วนที่มันดีๆส่วนไม่ดีไม่เอาเนี่ยเหมือนแกตัวรู้สึกชัดๆเลือกเอาตัวชัดๆตัวที่ไม่ชัดสารทิ้งไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องกังวลอรีวิวใหม่สัมผัสใหม่ แล้วทําอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะได้สติสัมมาชญะที่เป็นเนื้อเนื้อแล้ ว, ลวไม่อย่าไปคิดว่าได้นะแต่ให้คิดว่าตามรู้ไอ้ตัวตามรู้ตามดูตามเห็นชัดๆนั่นนะ่ะมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนได้นะไม่เอามันก็เหมือนเอาใช่ไหมเหมือนเราตั้งใจสูดลมหายใจเลือดถามว่าเราเก็บลมหายใจไว้ได้ไหม ไม่ได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกว่ามันพรเกิด ค, ความรู้ว่าอ๊อซิเจนทั้งหมดเข้าไปดาหน้าที่เข้ามันแล้วก็ออกไปใช่ไหมแล้วหายใจเข้าไปไมันอ๊อซิเจนใหม่ก็เข้าไปทําหน้าที่แล้วก็ทิ้งไปในส่วนที่ได้คืออวัยวะภายในได้รับออกซิเจนแต่ว่าลมที่เข้าไปแล้วมันยังอยู่ไหมไม่ได้อยู่แล้วมันออกไปแล้ว เหมือนกันตัวรู้สึกชัดๆเข้าไปทำหน้าที่ให้รู้สึกแล้วอาการทำแล้มันก็หายไปแล้วแต่ความรู้สึกที่เราได้สัมผัสนั้นเข้าสังสมเป็นสัญญาตัวใหม่เหมือนออกซิเจนที่เข้าไปเยียวยาในเซลล์ละร่างกายของเรามีพลังขึ้นใช่ไหมนี่ฉันใดก็ฉันนั้นการที่ความรู้สึกตัวเข้าชัดเจนเข้าไป ให้จิตได้รับรู้นั้นเหมือนออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาต่อร่างกายให้มีพลังแต่ในขณะเดียวกันตัวรับรู้นั้นมันก็ดับไปแล้วแต่ทิงที่มันทิ้งไว้อยู่คือจิตได้ประสบการณ์จิตได้รับการรับรู้รับประสบการณ์นี้สั่งสมกันมาเข้ามาเข้ามาเข้ามันก็กลายเป็นตัวปัญญาเป็นแสงสว่างใช่ไมเหมือนยูมท่องหนังสือท่องรอบหนึ่งมันก็ผ่านไปรอบที่สองก็ผ่านไป ไม่ต้องตั้งใจจำอะท่อมันทุกวันทวันเผลอแล้วมันมันจำได้เองใช่ไหมท่องเราก็ทิ้งไปท่องเราก็ทิ้งไปท่องเราก็ทิ้งไปท่องเราก็ทิ้งไปเอาไปเอามามันก็จำได้มันเองเหมือนกันจิตมันได้ไปแตะประสบการณ์ที่นี้มันเกิดเมมโมรีขึ้นมาจิตของเราได้รับรู้ต่อการเคลื่อนไหวทีละนิดแต่ละครั้งรับรู้ละครั้งรับรู้จิตนั่นก็เกิดประสบการณ์รับรู้รับรู้เข้ามาประสบการณ์ของอะไรปัจจุบันใช่ไหม มันก็เป็นปัจจุบันนัชจิตขึ้นมาตัวปัจจุบันนัชจิตนี่เองทําให้จิตของเราได้รับรู้ต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปกําหนดบังคับจิตให้รู้ยากเลยมันรู้ของมันเองเพราะอะไรเพราะเราทําบ่อยๆใช่ไหมเราทําบ่อยๆมันก็เกิดการรับรู้ของมันเองเหมือนกับสัตว์บางตัวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่เชื่องนะนะมันกลัวมากๆเลย ทีนี้เราจะทําไงให้มันเชื่องแล้วก็หยอดอาหารมันกินุวันอ้ามีอะไรก็หยอดตอนแรกมันก็อยู่นู้นหน่อใช่ไมอ้าวที่เหมืนนั้นเราก็ไปเดี๋ยวมันกิดอยากเข้ามากินอะาววันต่อมามันเคยกินแล้วใช่ไหมมันก็มากินอีกกินอีกแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราเข้าใกล้มันเท่าไหร่มันก็ไม่กลัวแล้วมันก็คุ้นจิตของเราเหมือนกันตอนแรกคิดทำนะโอ้มันคิดไปทั่วเลยทุงน เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันพยายามกำหนดรูปตัวปัจจุบันเรื่อยๆ เ, เหมือนเราให้อาหารกำหนดรูปตัวปัจจุบันเรื่อยจิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับเหตุปัจจุบันเอาไว้เนี่ยมันหนีไม่พ้นมันต้องเข้ามาเป็นที่อยู่ของมันนะแต่นั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่อยากจะให้คิดอะไรไปไกล ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันสับสนเอาแค่ว่ารู้ปัจจุบันชัดๆรู้แล้วให้ชัดๆเราทิ้งไปรู้ใหม่รู้ชัดเราทิ้งไปรับพยายามอย่าเผลอนะการลุกการนั่งการย่างการเดินเจตนาใส่ความรู้สึกเข้าไปชัดๆแล้วก็ต้องไม่ต้องยึดไว้นะรู้สึกแล้วก็ทิ้งไปรู้ใหม่เสมอเดี๋ยวความรู้ใหม่เข้ามารู้สึกเก่าทิ้งก็ไปไม่ต้องบีบไม่ต้องกักไม่ต้องมัดมันเอาไว้หรอกให้รู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่าน จิตของเรามันก็จะเคลื่องกล่าวไม่หนักไม่หนื่อไม่หน่วงจิตของเราก็เบาสบายนะฉะนั้นในช่วงเนี้ยแดดลมๆมตรุเนี้ไปเดินนั่งบางใต้ต้นไม้อะไรกำลังดนีนะ่ น, นถึงทุ่มสมรุมเขาเขาพักก่อน